พระครูยานวิสิทธิ์ท่านพ่อเฟื่องโชติโกวัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองพุทธศักราช2458ถึง2529 จะรู้จะเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้เป็นไปตามเขาจิต ด, ดั้งเดิมของเรามันไม่มีอะไรมันรู้อยู่ทุกอย่างแล้วแต่พอมีสิ่งต่างๆมาสัมผัสทั้งภายนอกภายในก็ทำให้เราเผลอสติปล่อยตัวรู้ ลืมตัวรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมเสียไปรับเอาสิ่งที่มาทีหลังแล้วก็ทำไปตามเขาคือเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรต่างๆที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไปรับเอาสิ่งสมมติต่างๆเข้ามายึดมั่นถือมั่นถ้าเราจะไม่ให้เป็นไปตามสิ่งต่างๆ เราก็ต้องรักษาตัวรู้ดั้งเดิมของเราไว้ให้ตลอดตัวสติต้องมีไว้มากมาก มันมีอะไรเป็นของเราบ้างตายไปก็เอาอะไรติดตัวไม่ได้แล้วจะอยากมันทำไมไม่ต้องอยากอะไรทั้งนั้นทำจิตให้สงบให้เป็นหนึ่งไม่ต้องสนใจในความเป็นของตัวเองหรือผู้อื่น ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็พอให้รู้อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาเว้นเวลาหลับตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่กับรู้อีกหน่อยปัญญาแท้จะปรากฏผู้รู้แล้วจะไม่ทุกผู้ไม่รู้เท่านั้นที่ทุกทุก มันก็มีอยู่กับทุกคนไม่มีใครไม่มีหรอกตราบใดที่ยังมีขันธ์ห้ายอยู่ทุกก็ต้องมีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะอยู่อย่างสบาย ดังนั้นรู้ที่ถูกต้องควบคู่ไปกับลมหายใจรู้คือรู้เท่าทานกิเลสเห็นกิเลสไม่ทำตามกิเลสไม่มีอดีตอนาคตมีแต่ปัจจุบันไม่มีหญิงมีชายไม่มีเครื่องหมายอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยแม้แต่ตัวตน มีก็สั์แต่ว่าสมมุติทั้งนั้นเมื่อรู้แล้วก็ให้อยู่เหนือรู้เราอยู่บนที่สูงแล้วก็สามารถมองเห็นอะไรอะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกับเรามันต้องมีเหตุปัจจัยเมื่อเราพิจรารณาให้แยบคายจนรู้เหตุของมันแล้ว เราก็สามารถที่จะดับมันได้เมื่อปัญญาเกิดแล้วไม่ต้องไปจดจำเอาไว้ถ้าเป็นปัญญาแท้มันจะอยู่กับเราถ้าไปจาเอาไว้มันก็กลายเป็นสัญญาเสียแล้วกั้นปัญญาใหม่ไม่ให้เกิดและปัญญาที่จะละกิเลสได้นั้น เป็นปัญญาส่วนพิเศษไม่ใช่ปัญญาธรรมดาต้องมีสมาธิเป็นบาทเป็นฐานจึงจะละเขาได้และการละ ก, กิเลสไม่ต้องไปตัดเพราะกิเลสมีอยู่ในโลกนี้มาก่อนเรามาหาเขาเองต่างหากไม่ว่าเราจะมาหรือไม่มา เขาก็อยู่ของเขาเช่นนั้นแต่ให้พิจรารณารู้จักกับเขามองทั้งดีทั้งชั่วของเขาต้องมีสติมันพิจรารณาร่างกาย จนเห็นเป็นกระดูกจนร่วงลงไปกองแล้วเผาให้เกลี้ยงเลยถามตัวเองสิมีตัวตนไหมอะไรทำให้ทุกข์ทำให้เจ็บปวดมีตัวเราไหมดูให้ถึงแก่นแท้ของธรรมะพิจารณาไปจนไม่มีอะไรของเราสักอย่างจิต เห็นจิตตามเป็นจริงเขาก็วางของเขาเองทุกพระองค์ไม่ได้สอนให้แก้แต่สอนให้กำหนดรู้ที่เราทุกอยู่ก็เพราะเรายังมีเราอยู่ ใจที่วิมุติหลุดพ้นก็เหมือนไฟที่อยู่ในอากาศเวลาไฟดับมันไม่ได้สูญไปไหนมันยังแทรกแสงอยู่ในอากาศเพียงแต่ไม่ติดเชื้อมันจึงไม่ปรากฏเมื่อใจดับจากกิเลสมันก็ยังอยู่แต่เวลาเชื้อมาใหม่มันก็ไม่ติดอีก ตัวของมันเองก็ไม่ติดนั่นแหละท่านเรียกว่าผล